คนนึงราเยอะห่ยนึงเข้ามาหาคนตายเราก็มาเยอะเมกันของเขาดำของเราขาวงานเลยเป็นงานเรื่องงานขาวดำ คือถ้าเราไม่คิดมันก็มันไม่เมืออะไรไปงานอะไรเป็นงานขาวดำเด็กก็เมื่อเคยคิดอ่ะขาวดาคืออะไรแต่เรารู้แน่ๆคืองานคนตายงานขาวดำเขามามาวัดเราอย่างเงี้เออเนี่ยขาวดาขนาดดำเท่เห็นว่าอันหนึ่งเปนขาวอันหนึ่งเป็นดำ มันเป็นกันใหลักให้จิตเราถ้าเป็นดำนนมันไม่เห็นอะไรมันเสื้อที่เขาใส่จรงกลางแล้วมันขาวเนี่ยผู้รักดูใส่กันถ้ามีอะไรนิดหน่อยมีปืนมันจุด ก, ต ก, ต ก, ตกนปนะครับเราเห็นนะ ก็แปลว่าติดของเร า, าเดินผูนี้มันยอมจีสภาวะขเขาเจอหายได้แล้วเขาไม่ถึงวันนี้ได้ลบับกามดีคือทางอินโดเขาเยอะติดต่อมาเรื่อยๆแต่งเป็นวิดีโอมาให้ดีวัดถือออเพราะเลาไปทิพท่าน ตาตโลงตาเาติลมโวนวันนี้ก็เพิ่งจะอนะหงพ่อพาเาทำเจ็ดวันนเองเขาทำจริงมันได้ผลเจ็ดวันวันละหกตุนนีงเช้าสองชั่โมงบ่ายสางชั่โมงค่นสางชั่โมงเช้าคือห้า ลูกคือมาทำมัดเป็นการนังสมาธิอย่างนี้นวันละหกชัวโมงส่วนส่วนตัวแล้วแต่หวันวันที่เจ็ดนันที่เราทำในื่องจากทุกรณะคนหนุ่มคุณสาวคุณแกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเหมือนผู้เอาเข้อก็นำตั้งคืน ดิงหน่าเดินเดินทั้งคืนใชเขาไม่เกยนแต่มันก็ได้ผลวันนี้เขาขึ้นดอยปรากฏว่าพระธาตุเดิมที่จะเด้นาไปมาเพิ่มตอนนี้เขาวีโอมาดีบอกตอนนี้มาเพิ่มอีกอ๋อก็สร้างศรัทธาได้ก็เพิ่มศรัทธา ขณะเขายังไม่ใคย ร, รู้เรื่องเราอย่างเราเราก็ถือว่โชคดีที่ตัวอย่างพร้อมเวลาสถานที่บุคคลพร้อมคือเวล า, ลวว า, า, าเรามีให้ทุกว่สถานที่สถานที่แบบเยอะแยะเป็นสัปปยะเป็นปฏิบัติบุคคลก็คือพือ่อนในารัาจานที่ขอยชีย้แนะนา แต่เขาไม่มีสิงเหลาเวลาถ้าไม่หาเวลาจริงๆเนี่ยยากที่จะเข้าวัดต้องทำงานด้านที่กวจะไปสามีชั่วโมงควจะนั่งรถไปเป็น้นโอยบุคคลก็เช่นเดียวกันที่เป็นครูบาอาจารย์ ส่วนที่องค์ที่เป็นหลักสหมติเรภาพแล้วอาจารย์เหลือแต่พระเทนเนนชีปัญาเล็กน้อยเป็นที่สิบกว่าก็สอนกันไปว่ากันไปเอาตำราว่าเพราะฉะนั้นพอกเราต้โชคดีถ้าเทียบกันแล้วคือเขาก็คือือนเต็งเมื่อเช้าที่ลงพอพูดอะก็ไก่ขอไข่ เขายังก็แก่ขพรไ ข, ข, ไข่เหมือนแต่พวกเราที่มันต่อแตะต่อแตะเนี่ยไม่เป็นอะไรมาไหนของเราก็แก่เหมือนกันคือเน้นกินเน้นกามเน้นเกลียดอาจจะนะถ้ากิว่าเกิดมาพื่กินกามเกลียดโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวก็ได้แค่ก็แก่ขอไ ข, ข, อไขไม่มารู้เรื่องละ กินเราจะขี้ออกมาคำนึงเรื่องนัไม่ได้คิดแต่แต่มันนั่งก็บายอาจารย์แต่พระพุทธเจ้าลงมาก็อสอนพวกเราแต่เรื่องกินแต่เรื่องขี้พูดไปทางง่ายๆไม่ได้สอนธรรมดานักที่ตะเลาะกันปีที่ก่อนที่พุทธเจ้าจะขึ้นไปสอนพุทธมรรดา เอ่ยมละอากับพวกเนี่แหละพวกกินนี่แหละพวกกินพวกชื่อทะเละเรื่องชื่อจงชาวบ้านไปใส่บาตรให้กินเอ่ยมละอาเราน่าจะเอาตัวอย่างมาใช้กับพระมั้งนะแต่พระในพูดไม่รู้เรื่องที่วะเลาะเรื่องชื่อเพราเรื่องฝ่าพระธรรมมาถึกกับพระนิยันดร ในในนี่ว่าเขาห้องน้ำที่ต้องทำอย่างไรสำหรับอย่างไรคิดว่าโบราณ น, น่าจะเป็นส้วมปล่อยเหมือนส้วนบังหลือว่ส้วมส่วนหลายๆคนอาจจะไม่ทันนะส้วนปล่อยเอพียก็ ค, คือไม่มีอะไรเลยก็เอาไม้พ า, พานะดๆทารูอะไรตบปล่อยลงข้างล่างส่วนปล่อยเนาะมันจะมีไม้ ไม้ปัดทางสมัยก่อนเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่แล้วก็ปากข้างหน้าแล้วกระดาษทายปัดๆๆแล้วก็เจาะรูแล้วเอาน้าใส่เพราะฉะนั้นเวลาชำระเนี้ก็คือเอาตัวนั้นปัดปัดคนเช็ดไปเช็ดมาแต่ต้องกระดาษปัดให้มันสะอาด้ามันเรียบน้ำมันก็จะไหล บางทีก็เป็นไม้ไม้ใครนี่แหละเราเราเราเหมือนตะเกียบเราปัดตนมันไม่มีกระดาษสมัยก่อนแล้วก็ต้องทำแม่มันบาดอันนี้คือรูปบราณพวกเราอาจจะนึกไม่ออกว่าโบราณสมัยเป็นเล่น น, น, น้อยก็ใช่ันเนี้อาจารยจก็ยังใช้อย่างนี้เอาหมยประทาน ปัจจุ บ, บันทนสมัยขึ้นบางทีเขาก็เอาท่อเอลเอามาใส่แต่มันก็สู้่พ่ายไ่ได้พระก็ไปเลอดเรื่องลเลยนะะดาบุญาหามก็ไปฟังเรื่องพระธรรมติดกับเบญายทอนเียงกันคุณจเจ้าเวชัเป็นหลักคนหนึ่งเขเยทรพระธรรมธรรมาทรอกคนหนึงเป็ทศพร ะ, รพระร อ, งองค์ก็ ขึ้นไปโปรดธรรมดาในบรรดาที่ 7, 4, เจ็ดอายุสี่สิบสองวันนั้นพวกเราก็เอาเป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างเือฟังและโอวนณะเกยกน้อมก็หาไัวเองนี่แหละคือต้องหาหลักเลียวหลักใจหลักการปฏิบัติของตัวเองใหได้จับจุดให้มันได้ ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่ใจได้รู้จักใจตัวเองได้เห็นใจตัวเองได้เราเห็นจิดตัวเองได้อยากให้พี่ช้าพูดทีุ่ณสุรบายน้องปู่มันให้น้องปู่สิงกันที่ละตั้งโม่แล้วก็น้องปู่ชิงก็เอาเยอะเอาดานีกมาสอนเรวบาลานคนสุดท้ายภายหลังเขาเรียกประชมุมทั้งจังหวัดทั้งอำเภอ ใหอ่านนโยบายกาพูดเรื่องนี้ยถ้าวาเราเกี่ยความไม่ประมาทก็อยู่ยังไงก็ได้ลนแต่ละวันให้มีเออไม่ประมาทตาหูจมูกปากอี้อยู่แขนขาอย่าให้แต่เพื่อความประมาณมีความหมายนะท่านแต่ความไม่ประมาณถ้าอย่างไม่เข้าใจความสลักด้วยสติเข้าไปตั้งมั่น ในอะไรก็ได้เป็นอะไรนะี่คือคำบริกรรมหรือว่ารูปธรรมอะไรสักอย่างอาจจะเป็นตะไม่นกอนอาจจะเป็นกระสินอยู่กับกสินหรืออยู่กับรูปประชาญถ้าใครทำได้อันนี้คําว่าอาศัยอาศัยรูปอา ศ, อาศก็คือสัมปชาญอคือรู้พร้อมรู้อะไรรู้จิตรู้กาย รู้จิตของตัวเองตามพะชานก็คือมันรู้พร้อมรู้ทั้งตัวคือกำหนดผู้บรรจงใช้ว่าติตใช้จิตในกาหนดขอบอย่างทั้งตัวครบสามอย่างกำหนดกายรู้กายกําหนดใจรู้ใจความหมายทั้งดังนั้นจุดเริ่มต้นคือจะเข้าไปหาความผู้นี้จะที่ทำง่าย เราอาไปใช้แล้วเราจะแล้วต้นยังไงเราร่อนต้นจะสัดที่อันนี้คือพื้นฐานเลยสองก็คือลมจะลมเข้าลมออกสามก็คือดูดว่าจนลมมันหายไปคือกำหนดลมเข้าลมออกไม่ใช่เพ่งนะกำหนดต่านใูดว่ากำหนดเหมือนทุกข์พลันกันจะนใช่ว่ากำหนดกำหนดลม แล้วก็มันก็จะหายหายก็คือจะมันจะเป็นลมหยาบรงกลางลมละเอียดจนจะเข้าใจมันมี่ลมยิ่งมันมีพราร่างกายไม่มีลมไม่ได้ก็จ ะ, จะมีมากมีน้อยอะไรเองแต่ว่าแต่มันทำให้บางคนกลัวพก็มันลมมันจะหมดแล้วเกิดกลัวคำว่ากลัวนั้นคือกลัวตายกลัวมันจะตายไม่ตายหรอก ก็นั่งสมาธิแล้วก็ตายไม่นีย่ยลมจนสุดท้ายนั่คือหรือใจใจคือความที่เป็นกลางกลางเนี่ยเขามวัาใจดูได้อย่างไย ร, รู้จักสภาวะที่เป็นด้วยจากความอเวทนาคือสุขเวทนาทุกขเวทนาโอเบขาเวทนามันจะเห็นชัดเพะนั้นถ้าเห็นเข้าวัดใจตัวเดียวเนี่ยสุขเข้ามาอยู่ในใจเราก็สุขใจ ทุกเข้ามาอยู่ในใจเป็ทุกข์ใจหรืออารมที่มันเป็นเฉยๆคืมระหว่างสุขมันทุกข์ได้มันไม่อยู่กับสุขไม่อยู่กับทุกข์กเรียกว่อุเปกขะคือมันเพ่งเข้าหมายเพ่งอยูกอารมณ์เองจนมันลืมคำว่าสุขขะหรือทุกขะมันไม่มีอะไรสภาพาไปนั่นเองอย่าง น, น, ะะานี้เรียกว่าใจดยงนี้เราเข้าใจละเรียกภาวนาใช้ได้ก็ดูอารมณ์อั่างทำ 4คำนี้ให้มันชำนาญคือสติคือจุดเริ่มต้นหนสติหลมหายใจกดนึกถึงจะทำอะไรทุกครั้งะนะไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนั่งก็ตั้งสติก่อนคือให้มันมีสติก่อนแล้วค่อยทำแต่พูดง่ายเหมือนกับเรานะ่ะก่อนที่เราจะใช้สตัง ในกระเป๋าเรามันก็ต้องมีสตางก่อนมันถึงจะใช้สตางได้สติเหมือนกันคนที่จะมีสตางได้เราจะต้องทำงานมันถึงจะได้สตางมาจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ทำงานหน้ากายทำงานแล้วก็สัดการหรืออื่นๆอะไรก็แล้วแต่แต่คือต้องทำงานอ่ะเนใช้แรงกายกำลังสมองสติปัญญาถึงจะได้สตางมา แล้วถึงจะใช้สตังได้นะสติก็เหมือนกันก่อนที่จะมีสตินั้นจะต้องใจทํางานใจมันจะต้องทํางานก่อนมันถึงจะมีสติไม่อยู่ดีๆสติไปอยู่ในใจนนไม่ได้เหมือนเราอยู่ดีๆสตังลอยก็ามาในกระเป๋ามั น, น, นไม่มีก็แปลว่า ร่านกายก็จะได้มาเพื่อะตังต้องใช้เรื่องกายส่วนสตินั้นต้องใช้เรื่ใจทั้งสองอย่างมันมีค่ามีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าสตังนั้นเป็นใช้ได้เฉพาะเรื่องของโลกคนนั้นแหะมันซื้ออะไรไม่ได้สุดท้ายแม้แต่คนเจะบแค่ได้ป่วยมันตายมันต่างนู่นตอนนี้ก็อยากซื้อไม่ได้กับสตังมีเป็นร้อยเป็นสิบ ซื้อไม่ได้ขอไปใช้ในโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายตอนนั้นก็ไม่ได้นะอันนี้คือสตังแต่นี้ถ้าไม่มีสติอ น, นี้เกิด อ, อะไรขึ้นไม่แต่สตังหาแต่สตังเก็ไม่หาสติเลยหาสติก็อย่างเกล่าวตนมือถือใจมันต้องออกแรงครับพวกนี้ยคำว่าออกในตอนนี้ความหมายถ้าเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆชัดมากเลยคือ เราพูดการปฏิบัติเราพูดอสองเรื่องเรื่องกายกับใจเราพูดเรื่องกายทําไมเราพูดเรื่องกายเพราะเห็นง่ายจับต้องได้ง่ายพง่ายคือหยาบนี่คือหยาบสุดแล้เเเ ะ, เะเห็นได้ได้หูจมูกร่างกายเห็นได้ด้วยตาเนื้อตาหนังตาธรรมดาแค่เคยเห็นได้ตอนนี้ร่างกายจะมีเรื่องแรงแข็งขัน ร่ากายของเราจะต้องออกกําลังกายกายเราถึงจะมีกําลังคือจะต้องขึ้นไหวไปมาคนจะิีสมบูรณ์แข็งแรงได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติการเราคือเดินนั่งก็คือการออกกําลังกายอย่างน้อยคณิตศน์นแรกๆก็คือสร้างกายแข็งแรงอะไรคืออะไรเพราะร่างกายมันได้ออกกําลังส่วนใจหรือว่าจิตมันตรงกันข้ามนะ จิตมันต้องอยู่นิงน่งๆมันจะิดในสมองถ้าจิตมันไม่นิง่งมันไม่มีกำลังมันจะตรงข้างกับกายถ้าจิตมันโป้งสร้างคิดไปเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเอาจิตไม่นิ่งเนี่ยมันไม่มีฐานจิตเป็นกำลังเกิดกำลังได้มีความแตกตา่างเพรดฉงนั้นถ้าจิตของใครไม่นิง่งเนี่ยมันก็ถ้าออกแลก็คือมจิตไม่มีกำลังคือไม่มีพลังนั่นเองมันพลังสองอย่างเกิดในสมองนี้ นั่นเริ่ต้นจากเรามีสติสติในจจตุรารักขมาฐานฐานะบอกอเบื้องต้นเลย่ยถ้าแต่ยึดไวเป็นหลักเป็นแนวบุคคลที่ควรจะยึดเป็นบุคครแรกคือพระพุทธเจ้าเจ้าพุทธานสุสติอันนี้คือข้อแรกก่อนนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก่อนถ้ามันยังพุงซ่านก็เราจะอยู่ในบเดินก็ได้ นั่งก็ได้แต่ให้อยู่กับพระพุทธเจ้านะอาจจะไม่อยู่กับเจ้านึกตั้งแต่พระเจ้าโดยประวัติศาสตร์คือบุคคลบุคคลทางประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าเป็นใครตีความการเรีนห น, นังสือแต่งงานออาบทปฏิบัติอันนี้ก็เรียกบุคบคลทางประวัติศาสตร์แต่ใ น, นทางธรรมหลังจากนั้นประสบความสําเร็จก็คือจะรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว มันจะตากันกับกันต่างต่างแต่ผู้ชา ก, ก็มีมวนเราทุกอย่างพระองค์ก็ใช้อย่างนี้สติลมหายใจแต่ถ้าใจก็ว่าอานาปานสติคือดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกก่อนแล้วก็ให้หายใจเข้าลองทำตรงกันก้ามดูต่อเคยได้ยินเลยว่าหายใจ เข้าแล้วก็หายใจออกเราลองทตรงการข้ามดูพอหายใจออกให้หมดหายใจจนสุดท่อท่อมันก็ะจะแพร่คือลมมันออกหายใจเข้าเสร็จท้องมันก็จะพองเราสังเกตดูเนี่ยนนี้เขาเรียกสติฝึกสติสังเกตร่างกายกันตัวเองว่ามันมันยุบยังไงมันพองแต่ฝ่ายพม่า เราตัวต่อยมากระา ย, ยุบหนอพองหนอ<ๆ>เขาก็เอานี้แหละเป็นหลักเขาเป็นหลักคือการยุบพอ ง, องของท้องนี้ยแหละกัามาดูดลมแต่ว่าใช้ตัว น, นี้เป็นหลักมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าครูบาอจาท่านบอกว่าเวลาเราฝึกเนี้ยาสติมันอยู่ข้างนอกคือเริ่มต้นจากข้างนอกเลยเวลมามัสงบมันจะเอาไม่อยู่เวลาเกิดมิเม็ดเกิดอะไร นิมิตือปฏิภาสอันในนิโมกขานมิตนิมิตที่เคยจะระวังกับจิตจิตที่มันจำลังจะตกพูดง่ายจิตที่ฝันนั่นแหละเรานอนเราเจอฝันนั่นแหละที่วางกับจิตเคอจัดใจใ ห, ให้มันนึกอันนี้หมายว่าคนที่เราเข้านาแล้วสติลมหายแล้วก็ใจมันเลือยไปใจแต่ในขณะที่อยู่อยใจเนี่สติมันต้องตามตลอดมันต้องมีสติตลอดนะคําว่าสติเอง คือมันอยู่กับเราตลอดทุกเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นจากสตินีลมหลงเข้าหลงออกก็มีสติมันหายไปก็รู้อติจนอันนี้นี่คืาใจเลยนี่ก็ชัดอีพณนสติคำเดียวนะี่มันคุมทั้งหมดเลยเลกก็คือที่เราฝึกเนี่ยก็คือพวกสติให้สติให้รู้ตัวคำว่ารู้ตัวรู้กายนะั่นละ รู้กายเสรแล้วกําหนดกายมารู้อันนี้คือใจกาําหนดใจรู้ที่กายก็กําหนดกายเรื่องของกายรู้ที่ใจก็มัน ใ, ใจมันรู้อะไรมันรู้เรื่องอดีตต่ออันนี้มันเรื่องอดีตนะมันกำลังพูดถึงคิดาาคอานาคตอันนะี้คืออนาคตนะให้รู้เท่าทัานของตัวเองกํากับดูแลอยู่ตรงนี้กันต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับใจตัวเอ ง, องเพราะนั้นคำสุดท้าย ที่หลวงพูสิงขกระเาคำโมชยัยก็คือรู้จิตก็คือกำหนดจิตแล้วก็รู้จิตกัวตัเองว่าอาการของจิตตอนนั้นเป็นงไงเป็นแท่ว่าอาการของจิตมันเป็นอย่งไงมันก็จะอาจจะแจะเป็นเบาคนเคยเห็ น, น, ปหนเป็นวาววาววาวก่อนจะเป็นใจสงบหรือเอามาไม่ไม่แอนกรรันว่าจะเป็นเป็นนิมิตนิมิตมีทั้งโกรธมีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นไอคําว่านิมิต บางคนก็มาเป็นเสียงเสียงสอนทำนเลยเคยเล่าอะไรเยอะหลายครั้งว่าไอ้เสียงคือเหมือนกันมีทั้งเสียงแท้เสียงปลอมเสียงแท้ก็มาเช่นสมมติว่าหลวงปู่องนั้นองนี่มาสอนใหม่ๆมันก็ก็ดมนมือจะดีแต่นั่งหลังเข้าขออกมาก็ไม่ใช่คน ม, มันปลอมมันเป็นนิมิต ป, ปลอมไม่ใช่ของแท้พวนี้มันเกิดจากพวกสัมภเวสี ความสีเขาเก่งกว่าเราสมาธิหลอกเขได้บางทีมีคนถามว่าครูอาจารย์หนหมดพ้นไปแล้วทําไมเอะจะกลับมาสอนโลกสอนงานเดู๋ยวเป็นนิดๆเขบอกเราบอกเป็นนิดๆมาได้กลับมาทนี้ครูอาจารย์ก็จะใช้แนวนี้คือไปายาเห็นกายกระดกกายก็รู้จากกายของตัวเองกายให้รูปเนี่ยนะอย่างละเอียดเรา อย่าเื่ออะไรไปเพื่อเพื่สมุนสมก็เ่อกายแย่เพื่อทางกำลังจะเห็นความแตกไปของกายหรือความดับไปของกายเขว่าความแตกของกายคือเห็นกระบวนการของวันตั้งแต่ต้นจนจบเลยถ้าเห็นตั้งแต่ตนจะเห็นเป็นกระบวนการก็ว่าไม่ใช่เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเห็นการเกิดการแก่การเจ็บและการตายให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ เรียกว่เกิดเร็วดับเร็วเกิดเร็วดับเร็วมันก็มีเส้นลมสติลมหายและกรนะจาให้เข้าเร็วรู้เร็วก็แสดงว่าเห็นกันเกิดกันดับเร็วของินึกใจมาเกิดอะไรขึ้นกับใจดูกดารเกิดของมันมันเกิดศพเกิดทุกตัวเฉยเฉมดับตรนไหนสังเกตดูเนะี้ย สติเราก็จะเข้มข้นเพิ่มเรยถ้าสติเราไม่เข้มข้นพอจะไม่มีทางที่จะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้คือปัญหาคนนักภาวนาคนนักปฏิบัติคือไม่ยึดความต่อเนื่องของมันเป็นพอบางทีบางทีบริกรรมอยู่ดีเดินก็จริงแต่ว่าสติไม่อยู่กับตัวขากระกาวไป ซ้ายขวาซ้ายขวาไปแต่ว่า้วามจิดสตนะนะิพลงานสติมันไม่อยู่ในกายไปกามามันไปไหนกันไปเลยมันหนีไปเที่ยวเดินอยู่ที่แท้ยังหีไปเที่ยวเลยเนี่ยจิตมันไม่ธรรมดานะเพราะมันเป็นมันเป็นนักเที่ยวมานานแล้วมันจนชินมันหนีไปเที่ยวคือเที่ยวนอกกายขาเที่ยวคือจิตมาออกนอกกายมันไม่อยู่ในกายมันไม่อยู่ในตัวเรา ก็เร as ียกว่ขาดสติล่ะไม่ว่าจะเดินอารที่มันยืนยระเดินกระตามันกระตาให้โผล่ภายใโผก่กำหนดใหม่คือรลมต้นใบนั่นแหละอืกําหนดสติลงหายใจจาหยาบนี่แหละหายใจเข้าใจออมันจาหยาบมันก็จะรู้ตัวรู้ตัวเองนี่แหละมันจะตืดตัวคนเองแต่รู้ข้างนอกนะรู้กายก็กําหนดของูกายนั่นแหะ ที่รกพรนะ่งอ่ะจากนั้นมันก็จะเข้าไปสู่ใจขั้นตอนต่อไปทีนี้ก็จะรู้ใจก็กระโดดกายอย่างละเอียดละออในสุภาษิตพเจ้าเราพูดถึงการสมดกายจนเห็นกายละเอียดเวลาคำที่หลวงปูม่มันบอกให้หลวงปู่สินกันที่อย่างของสุสีที่เราสวด ปรวัดทุกวันนี่ไคืออาการศาสีสองแล้วะท่านเอาแกห้าตัวนั่เนเองคือหัวใจคือตับ ม, ม้ามไตปอดกำหนดเนยอีแยเป็นคำบริกรรมแรกแรกกเลิกเป็นชื่อเฉยห้าทะยังคือหัวใจ ม, ม้าตับปัสสาษาคือปอดสุดท้ายปอดบริกรรมใหญเหมือนเรเบริกรรมเกสาโรมาติาต่างๆลูกผู้สงูง ก็ออกคำนี้เปํำบริกรรมในการภาวนาเพราะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนมาลองดูบ้างก็ได้บริบูงณ์ท่านบริกรรมภาวนาเจ<ต>รสาโลมานาักาทันตาส่างๆแล้วก็ว่าถอยหลังเหมือนที่พระโอชาสอนเวลาบนชใะโจ ท, ทันตานั่งสมาะิทำให้สติเราอยู่ันคำบริกรรมมันจขคม้นมากขึ้น ตายคำมากขึ้นมันก็จะจอดธาราเกศสงบได้มันจะเป็นองค์ชานองปูสูงท่านตำนานเรื่องช้างนันสุดทานก็คือคำว่าชานคือปิติอยู่ตกวิญญาณปิติศกเอ ก, กขาตากรองค์ของชานของชานนั้นมาถึงรูปประชานไม่เกีจอกับอารมปรชานกาทําอย่างเนี้ยถอยไปถอยมาถอยชานก็เหมือนกันถอยเข้าถอออกไปเข้าถอยออกแต่จุดมัน สติลมหายใจก็ถึงใจก่อนโดยทำได้ราจาเพื่อให้ง่ายก็คือโยคะ บ, บริกรรมอันนี้ก่อนก็คือเกตาโลมานะะักการตาต า, ตาโจต า, ตาโจคันตานักโลมาเกตาอยู่อย่างนี้มาให้มันหลงโดยํำบริกรรมซึ่งเป็นกรรมฐานที่พระอุบาสสอนเวลาบวชพระ ทุกครั้งที่บูชาก่อนนี่ป็นพราได้พระุูชายต้องแห่งเราจึงไปว่กให้กรร ม, มาฐานเพราะนั้นพระทุองค์จึงชื่อว่าพระกรร ม, มาฐานไม่ว่าอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในปา่ามันไม่มีแยงเพราะฉะนั้นเราไปแยกกันเองว่าพระอันนี้เป็นพระต่างพระ น, นี่เป็นพระเมืองมันไม่มีตำราไม่มีตำราเราียเรียก พระอุปชาให้หมดแล้วสอนว่าถ้าป่าือเรนี้นะกรรมฐ า, านทียแท้เทงเือันนี้กรรมมัดฐานคือฐานของใจฐานของจิตอถ้าจิตไม่เห็นตึงหล่นี้ตามความเป็นจริงองเล่นว่าตามความเป็นจริงไม่ใช่ความรู้สึกส่วนใหญ่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยอยู่กับความรู้สึกแล้วก็ตัดสินใจโดยความรู้สึกของตัวเองเช่นรู้สึกสุข รู้สึกทุกรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบแต่ความจริงเราไม่อยู่เราอยู่กับความรู้สึกแต่เราไม่อยู่กับความจริงซึ่งมันคนละเรื่องกันเอาเช่ น, นเวลาเนี้ยฝั่งโน้ตตะโคนตายความรู้สึกก็คือโศกเศร้าเสียใจนี่คือความรู้สึกนะนีคือเวทนานั่นแหละอยู่ในสมาธิแต่ความจริงมันอีกเครื่องหนึ่งเราเลยเข้าไม่ถึงความจริงเพราะสติมันอ่อน จติงๆเราไม่มีเราไม่เคยปรึกไม่เคยรับรูก้ก็อยู่กับเวทนาได้ตแต่เศร้าโศกเสียใจเราต้งมีทางพลน้าเนี่ยแต่เนี่ยก็โอ้สบายก่อนยังมีที่จะอยู่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็เลยพลน้าไปถาว่าได้อะไรมันยิ่งหนักขึานอีกแทนที่จะปรงหรือว่าวางทําให้เกิดธรรมะสังเวชมีความสังเวชเกิดกลายเป็นธรรมขึ้นมา ธรรมะสังเวกษ์เกิดขึ้นในปัญญาไมันจะตามมอมันไม่ถึงธรรมะสังเวกษไม่เกิดปัญญาแล้ก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดมันจะเป็นอะไรได้ไม่เกิดทำลายอะไรได้ร่างกายอันนี้แต่ว่าร่างกายป่านนู้นเขาโชคดีนะเขาบริจาคขอบญญริจาคทางเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ไม่พอไม่ฟังป่าก็เป็นข้อดีอันหนึ่งแต่ว่าทางนี้ก็ถือว่า ในร่างในรูป็ทําไปด้วยในีสิบเจ็แต่น้ำประธรรน่ะมันมันยังไมไปต่อมันม่ได้ไปฝั ง, งก็ได้ไปผอด้วยน้ำประธรรมคือเวทนาญยากรณ์นี่นะตัวนั้ำมัต้องไปต่อเก็คือจิตนั่นแหละพูดง่ายจิตต้องไปต่อแล้วมันก็ต้องยึดยึดรูปที่ป็นหยาบๆเนี่ยแหละเอาไปด้วยก็คือองค์ฌานนั่นแหละก็ะ ค, ออะคือข อ, อาฝันหรือประวัติของจิตไอตัวนั้นต้องไปต่อตอนนี้ ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้สุดท้ายกายเป็นไผคือกลัวกลัวอะไรกลัวตัวเองทั้งที่เดินไปได้มายืนเดินนั่งนอนตั้งแต่เกิดจนถึงขนาดนี้กลับแล้วว่ากลัวขากลายเป็ว่าไยัไยไผ่ก็คือสุดท้ายคือมรณะไผ่ไผ่สุดท้ายคือมรณะไผ่กลายเป็ ว, ว่าเคยค ก, ลกลัวกันนะ เนี่ยพอเราก็องอยู่ความจริงมันเกิดขึ้นจาความกลัวกลัวอะไรกลัวตัวเองพอในเวลาเป็นๆอยู่ทำไมไม่กลัวทําไมไม่กลัวตาตัวเองมางเห็นแล้วมาเกิดความชอบไม่ชอบทำไมมันไม่ทันตาทําไมไม่กลัวหูตัวเองที่ครับมาเรด้าเนี่ยดินมาแล้วชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเรากลับไม่กลัวไม่พิจารณาปากตัวเองพชอบพูดไปเรื่อยพูดแล้วมันเป็นแัยกับผู้อื่นม้าง เป็นภายกับตัวเองมากก็มีคิดมันมีสติเนี่ยคือคลกลัวแท้ที่กลัวของคนอื่กลับไม่กลัวแล้วคดายจะไปทําอะไรได้ตาก็ทําอะไรไม่ได้ไร้หูเขาทำอะไรป่ากขาทาอะไรมาแม้แต่เร า, าหายใจก็ไม่เหมือนเขามันจะไม่ีอะไรเป็นหน้ากลัวเรือจะย่อยสลายไปตามธรรมชาติต้องใช้การย่อยสลายถ้าเราไม่ไปกบไม่ฟังไม่เฝ้าปล่อยไว้เฉยเหมืนอนไปถึงปลายช้าผิดจิต ปล่อยๆเอาไปทิ้งไปหามแล้วก็ไปทิ้งเทําไมเป็นอาหารของสัตว์แต่มันก็เน่าเปื่อยโปะพังเหลือแต่กระดูกถ้าทิ้งเป็นสัญลักษณ์ซึ่งโบราณมันก็มีประชาพีดแบบนี้มันก็ไม่ฝังก็ปปล่อยไปเลยมันก็เป็นอาหารของสัตว์ป่ากินมันก็ดีมันก็ได้ประโยชน์ถ้าไปเผาเอาไปฝังเจยแต่สรุปคือมันก็ไม่ได้อะไร เพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยถือโอ้โชคดีจะเป็นคิดว่านมน้อยแก่สาวไม่ละจะ่าไปคิดยังมีชีวิตอยู่ถือว่ายังมีโอกาสอยู่ทุกวันยังมีลมหายใจอยู่ถือว่ามีโอกาสทุกวันไ ม, ม, ม, มนน่มีเวลาที่มีโอกาสหมื่อแต่เราพึงเอาพันบอกโอ้กันเลยเวลาเวลามีน้อยโอาเวลาไปทำอะไรทั้งชีวิตเราอยู่กับโลกมานานแล้ว หมายกว่าสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยกับโลกถ้าพูดอย่างง่ายคือหาเส้นตรงเส้นทางมาเยอะแล้วนั่นเพียงพอแล้วเราการทลองชีวิตทีนี้นหาทางทำบ้างเสวงหาตัวเองบ้างคือเห็นตัวเองบ้างเราจะได้เห็นดูเออโทษภัยที่มันไว้ขนานเพราะฉะนั้นคำคำหนึ่งที่ปู่ใจ่าใช้ว่าพิกโขหรือพิกโขนะคือผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร แต่ใครบทมาแล้วไม่เห็นภัยในวัฏฏสงสารนะคนก็ไม่เชื่อพี่ๆปวยง่ายก็ไม่เชื่อไปจัไม่เห็นว่าใครความเรียนไหว้แต่เกิดอันนี้ภัยในความเรียนไหว้ในวนะความคิดเป็นพูดกันทําอันปรุงแต่งอันวนไปเรียนมาอาดีนตนะก็ปัจจุบันอยู่อย่างนี้อยู่กับวันเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้เห็นวดไปเรียนมาอยู่เนี้ยนั่นคือวัาฏละจนวนอะไรนะไหน แล้เราก็ยังไม่เห็นว่าอันนี้มันเป็นไฟนมันเป็นโทษก็ยังไม่เห็นในโทษหรือไปของมันเนี่ยปุริจารณ์ท่าบอกก็ไม่เชื่อว่าเป็นปิกผูคือผู้เห็นไฟในวันตาเะั้นความหมายชัดเจนวะ่าคนที่เป็นพระนี่จะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วให้บอกว่าอันนี้นคือไฟนะพอมีมอ ก, กมารนวดก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาแต่ว่ากลับไปกลับมาเป็นอะไรเรื่องหนึง พเาพาสติสัพเะเราไม่สมบูรณ์ไว้พร้อมเราไม่สามารถจะเจนได้สําหรับผู้มีสติสัพเะดีขึ้นมากขึ้นพร้อมขึ้นรู้ทั้งข้างหลังข้างหน้านี่กิดธรรมะสังเวชว่าโอ้จิตของมนุษย์จิตของคนจิตของเราจิตคนนั้นคนนี้แม้แต่ครูอาจารย์ก็จะมาเป็นโอแม่ครูอาจารย์ถูกเราเนะี่ยมันไป่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวสนภะาวะจิตของเราทุกคนนะ่ะ มันเป็นมาแล้วสารพั ด, ดจิตมันไม่ได้มีเพศจิตแดงเดิมไม่มีเพศมันุษยมีผู้หญิงมีผู้ชายสิตาเพราะฉะนั้จิตของเราเป็นมาทุกเพศไม่มีใครที่ไมเ่เป็นผู้หญิงเคยเป็นผู้ชายมาแล้วผู้ชายเคยเป็นผู้หญิงมาแล้วแต่เราไม่รู้เราไปไม่ถึงตรงนั้น เมื่อไปไม่ถึงธรรมะสังเวชมันก็ไม่เกิดแต่ครูบาอาจารย์ท่านมองมองเห็นโอ้ก่อจะมาถึงขนาดนี้เราเป็นมาสารพัดมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันผูกพันกันมันไม่ได้เนี่ขึ้นมาลอยร้อยมันมีเหตุมีปัจจัยอยู่ตามให้เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้เป็นเช้นโน้นมีเหตุปัจจัยของมันอยู่แต่เราภาวนามไม่ถึงภาวนามไม่ถึงก็แปลว่าอะไรแปลว่าความเพียรเราไม่ถึง เรายังเผาเกเลรไม่พอยังเผาตัวเองไม่พอเผาตัวเองไม่พอก็แปลว่าตัวเองยังไม่ร้อนคำนั้นไม่ร้อนคือมันไม่ได้อ า, าตตาปีในองค์ของวิปัสนาคืออันอาตตาปีสติอ า, าตอาาตาปีสติสัมปชนนัญโญสามคาคนที่เข้าใจคําว่าวิปัสนาก็คือสามคำนั้นหนึ่งคือตัวความเพียรตัวเอง พเพราเนเป็นตัวแร่งตามมาเห็นร่างกายรูประกายของเราแต่ว่าร่างกายมันร้อ น, นเคยเปยเพี้พพยวอะไรตอนสืนตัวมันเหมือนกัเหล็กมันจะก็อเอาไปเผาไฟก่อนจึงจะตีเอาไปรูปเป็นร่างสารวัดรหลากหลายได้แต่ถ้าแขกมันไม่ร้อนอะไรมันเดินมันก็แข็งจิตของเราเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่ถูกเผาโดยความเพลินยืนเดิน น, น, น, นั่งอย่างตัวห น, นึ่งมันก็จะแข็งอย่างนี้แหละ ทำให้เราไม่รู้ความจริงต่างความจริงก็ทางความเื่อคือเป็นตัวที่มันเข้ากิเลสขึ้นกิเลสตัวเองเนี่ยมันร้อนเปิดอินสติทำอชัญญะเป็นตัวเร่งไปโดยสนับสนุนไป็นเพิ่มจึงเป็นที่มาของวิปัสสนาคือเห็นวิปัสสนาแปลวเห็นวิปัสสนาต้องมีต้องสองอย่างคือทั้งรู้แล้วก็เห็นไม่ใช่เห็นอย่างเดียวจะ่ไม่รู้ เห็นด้วยเช็นเห็นต้นไม้เรารู้ต้นไม้ต้นไอะไรเปร็นมาอย่างไรอันนี้คือเห็นแล้วก็รู้เือรูร้รรด้วยว่าอันนี้ต้นมะว่งองเป็นมาอย่างไรอันนี้รู้จักที่นี่คือเรียกวิปัสสนาแค่เจอแล้วก็วางวางอารมันได้ไม่จะเห็นดเฉยๆไม่เห็นเพื่อยึดเพื่ถือเห็นแล้วก็วางทันทีเห็นแล้วก็วางทันทีทุกเรื่องพฏิสัทธิมันผัสสะคือกระทบทุกอย่างทุกเรื่องมันมากระทบจิต ถ้าเข้าถึงจติตแล้วมันก็จะรู้รู้มันจะวาง ท, ทันทีคือมันจะไม่ยึดไม่เถือนี่คือเป็นทมาขออุปาฏฐังคือมันไม่ต่อความยาสาวความยึดกระทบเสร็จแล้วมันก็วางทันทีทักเร็นองก็วางกันว่าจะเตใจเย็นแล้อ่อนแสงชอบไม่ชอบดีไม่ดีห อ, อื่นๆที่เป็นเวทนามันก็จะเฉยๆต่อสองเหเหล่านี้ก็กลายเป็นธรรมดานั้นแหลคือธรรมถ้าถึงธรรมแล้วเป็นธรรมแล้ว ทำใจได้แล้ววางใจได้แล้ววางอารมณ์ได้แล้ววางกายตัวเองได้แล้วมีความหมายอีกนี่คือไอสองอการกําหนดกายแล้วก็รู้กายต้องรู้กายเด้วยเช็คตัวเดวเจอมารู้เรื่องอะไรกําหนดใจรู้วางแค่นี้ถ้าเพิ่มอะไรก็เริ่มต้นใหม่ไอ้เรื่องจะเป็นชื่อก็จะไปพื้นไปจํามันคือไปตั้งใจอย่างอย่า ง, างไม่ต้องไปจํามัน แค่รูกก้กับนางเป็นก็พอคือแค่กายกับจิตกันนี้ก็รู้เรื่องแล้วเพรานี่ะเรียบมากไปกว่า น, นี้อันนั้นเป็นเรื่องของปริยัติเพราะนะั้นเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื้อปัญญา ก, ก็เช่นเดียวกันอย่าไปกังวลว่าเออมันยังไม่รับศีลมันเป็นศีลทัน ท, ทีในทางปฏิบัติไม่ต้องไปรับมันต้องไปออดวอนนั่งตรงไหนนั่งเมื่อไหร่เป็นศีลเมื่อ น, นั้นเพราะ น, นั้นอันในสองข้อแรกคือศีลเรามีแน่นอนถ้าเราทํา เหมือนตอนนี้ยช่ไมุอช้าเราไม่ได้รับสิ่งตอนนี้มานั่งตบกายวัยชาจะ น, น, นก็เป็นเส็นทันทีละในทางปฏิบัติคืออันในส่งถ้าเราเข้าใจหลักกันมันง่ายมันไม่ได้ยากซับซ้อนมันก็เป็นกำลังใหงเราทุกคนว่าสี่คำให้ออกไปใช้อย่างนริงังก็คือหนึ่งสติต้องเริ่มที่สติให้มีสติ่อน เหมือนกันจะใช้สติเลยงไงมันก็คือถ้าเรามีสตังก่อนนะก่อนที่จะไปซื้อของเราต้องมีสตางก่อนที่จะไปซื้อของได้เหมือนกันก่อที่เราจะใช้สติพิจารณารูปร่างกายเพินารณาจักรวิญญาณอันนี้เราก็ต้องมีสติก่อนมาถึงจะใช้ได้เราก็ใช้สตินะพิจารณาเหมือนใช้สตังซื้อของทำหนองเดียวกันเพราะฉะนั้นสติอันนี้ถ้าสตังเรามีน้อย กับซื้อของเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดามีซาบาดอะมันก็จะไปซื้ออะไรได้ถามว่ามีสตังเงินมีไม่ใช่ไม่มีสตังนะแต่ว่ามันมีแค่ซาบาดอะไม่ทําอะไรได้เหมือนกันถามว่าเรามีสติไหมมีแต่สติมันน้อยไปทําอะไรได้ไม่ใช่ไม่มีสติไม่ใช่ไม่มีสตังมีทุกคนไม่มีใครที่ไม่มีสติไม่มีสตางมีแต่มันน้อย หรือประเด็นท่องไว้สมอจําไว้สมอย้าเสมอว่าเมื่อเริมีเมันน้อยก็ต้องทํามันมัมม น, มมนมเพิ่มให้มันมากขึ้นต้องขยันมันโดยอาศัยความเพียรเป็นหลักหลังจากนก็จะให้มันขอเพียรันต่อเนื่องก็คือสตินี่คือสติยังต่อเนื่องทุกขั้นตอนต้องมีสติกํากับอยู่เสมอนะอันนี้ก็สิ่งที่พระเจ้าฝากพวกเราครั้งสุดท้ายคําว่าไม่ตวาดก็คือนี้แหละ เพื่อถ้าเรามีสติรู้ตัวคือรู้ตัวเองเนี่แหละอย่ารู้คนอื่นเพราะนั้นการภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเองคบทุนตัววการตั้งแต่ต้นจนตกตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็วางแล้วก็เห็นพโทษเห็นภัยเพราะส่เหล่านี้ไม่งั้นมันเคยเกิดความประมาณเพราะยังไม่ตายยังแข็งแรงยังอยู่ได้เนี่มันประมาทเลยนะอารมณ์อย่างนี้แหละ อรมณ์ที่เมันน่ากลัวอารหณ์นี้เกิดประมาณธามารมะที่เองประมาณทุกฝ่ายก็จะ เ, เ, เ, เป็นอย่างนี้แต่เอกก็จะเยไปพระสงฆ์องค์เลี้นงแล้วสบายแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วประมาณมีสติไหมมีสตังไหมถ้าเป็นจ้บาก็ถามสติมันมีมีเยอะไหมไม่เยอะมันทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเพิ่มเพราะฉะนั้นในภาษาจึางเป็นโอกาส ครูบาอาจารย์เราต้อรู้ตั้งแต่สมัยเหมือนขนาดหลวงปู่สิงห์ท่านยังเปลี่ยเวลาเพื่อไปอยู่กับตัวเองสามเดือน่ะเพื่อมาเรียนรู้และท่านจะมีความรู้อะไรที่มั น, ปนแปลกๆเพิขึ้นมามาเช่นทำปีนังสิ่งแรกที่ท่านจะพูดถึงเป็นหลังก็คือพระพุทธเจ้าไม่ใชคือบาจารย์แต่โอ้คนของพระพุทธเจ้าในถ้าไม่มีพระองค์พวกเราจะเป็นอย่างไร เราจะเห็ น, น, น, หนคุณค่าของพระพุทธเจพุทธานุสตินเยอะมากจะทาให้กิจการเราอ่อนน้อมก็หาทางทำคือพรระตันตนาใจคือคุณของพระพุทธเจ้าเขาทำคุณพระอะไรส่ง น, นี้คือหลักเลยเพราะฉะนั้นทุเราที่เราปฏิบัติทุกวันนี่ก็คืออันนี้แหละทุกวันจะเป็นวัยพระในวัยเปิดเช้าหรือเย็นก็ตามพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติ่ารกาน พุทธาพุทธิติ์ตนธรมาพุทธิติ์ตนสางขารพุทิติ์ตนเ่็นไหมก็คือพราคนของพระเจ้าคือชมเชยคนของพระเดียวกับคนของพระทางคุณพระเอตสงฆนี่คือพระรัตนใจแสดงว่าวันแต่ละวันเนี่ยเราต้องอยู่กับพระรัตนัยคนของพระเดียวกับเจตทั้งแบบไม่มีที่พึ่งไม่มีอะไรอยู่เนี่ยเจตต้องกลัวๆวองมันนี่อะไรเลยมันก็ต้งเป็นในอย่างนี้พอเราจะได้เป็นอย่างนี้ยถ้าเรามี คุณค่ากับอันตรายครบปอดไม่ต้องไปกลัวหรืออบายที่จะไปสู่อบายไม่มอันนี้คือคุณสมบัติเร็วคุณสมบัติต้นตข อ, อ, องพระโสดาบันเขอที่เป็นโสดาบันไดต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ตัวใครที่เป็นรบหลู ก, ล ก, กาโตกับพูดคำเทศคำสอนมันยาหรือแม้แต่สาวกคือสังฆานั่นแหละอันนี้ยังหางไก คำว่าโสดาบันคุณสมบัติคุณยังไม่มีเลยหมืนกับเถือยาห่างไกลแต่อย่างเข้าใจเอาตัวเองเป็นเข้าใจเอตัวเองมีเติดโปรโมทโฆษณากันไปเราไปเห็นเห็นกันอยู่ต้าตนมีสติแล้วโอ้กันไอโกน้องกมาอันนี้มันไม่ใช่แค่กรื่อตนก็คุณก็ไม่มีคุณสมบัติแล้วเพราะฉะนั้นคุณสมบัติข้อนี้คือพระัฒนาใจเอาชีวิตเป็นหลักนี้ หลังจากนั้ น, นคือสินสินี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราคุณสมบัติของพระบันไดการแรกกับตัวได้ตอนศิ น, นเอาชีวิตเป็นเดิมตามและสินของท่านเป็นสินที่มันแน่นอนหรืออายะกนตะสินมันชัดเจนแน่นอนพระจะไม่มีทางที่จะพลาดประมาท พ, าพาลาดทางมันร่ว ง, ล, วงละเมิดอย่างเช่นปานาทิบาตไม่มี คุณสมบัติหรือมูสาวาทานมูสาวาทานไม่ได้แปลว่าโกหกมัเราทต่งพูดจาเรื่อยหลาระเสียสีกระทบกระทัはは่งนี่ก็ล้วนเป็นมุสาวาทานเราพูดเรื่อยๆสาระนี่ประโยชน์อะไรอันนี้ก็มูสาวาทานไม่ได้แปลว่าโกหกพ้นเท็จอย่างที่เราเข้าใจเนียเพราะนั้นจะไปพูดเพื่อเปความกระทบกระทั่งเดือดเดือดเสียหายต่คนอื่นเปิดความแตกแยกเป็นกล้องเป็นเราเป็นหมูเป็นคณะ พักเป็นพวกอย่างนี้ก็คือมุสาวาทาคุณสมบัติของพระอริยะก็เรียกไม่มีที่จะเป็นอย่างนี้ไม่มีเพระนั้นถ้าแฝงกระทานยัมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่พึงสงสยัยพึงตั้งแล้วก่อมันไม่ใช่ทางเมื่อไม่ใช่ทางแร้วจะเพลิเพมันเยอะฟังภรูบาอาจารย์ฟังครูบาอาจารย์าาารนเรื่องกี่ยวกับพระเจ้าพุะด า, านสติธรรมานสติสักา น, นสติเป็นพื้น แล้วค่อยมาพิจารณตัวเองเป็นหลักเอายุดเอาเป็นหลักเพราะนั้นคนอื่นบมันต้องมีเป็นหลักพื้นฐานมนเลยถ้าเราเอาสิ่อท้าที่เป็นมาตรฐานเป็นบุคคลเป็นต้นแบบเป็นเรื่องเป็นอย่างในการดำเนินชีวิตชีวิตของเราก็าจะเริญการปฏิบัติทรรของเราก็จะไปได้อย่างสม่ําเสมอบางคนข้าพื้นฐานมาเองต่อไปต่ออาจารย์เนี่ย ก็จะไปเร็วเข้าใจอะไรเรียนรู้อะไรได้ดีมากกว่าเกา่ามันเข้าใจอะไรมากง่ายขึ้ น, นแต่บร้จงตอนนีงนะอย่าประมาทนะเพราะนั้นวันพระวันส่สจรงเป็นโอกาสที่พวกเราจะต้องเอาใจใส่ก็คือทํามากกว่าเกา่ากว่าวันธรรมดาเพราะมันไม่ได้ทำอะไรแล้วนั้นอาจจะติ่นตาอากาศอาจจะเหนื่ออเหนอยประโยชน์ในสถานที่ร่มที่แจ้ง ที่มาปลอดมัน่นใก็ไม่จำเป็นต้องไปตากแดดตากเป็นตากลงอะอยู่อย่างก็ได้นั่งก็ได้ก็อี ก, ก็ได้ตื่นก็ได้เตือนในศาลาได้ก็ได้แย้แย้อรก็ให้อยู่กับตัวเองเพื่อในการปฏฐฐฐิบัติธรรมอันนี้คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่เราทําแล้วได้เป็นกอบตัวเองเป็นกรอบเป็นกำส่วนเรื่องโลกนั้นไม่ได้อะไเล ย, เลยตายแล้วตายเลย หามาเท่าไหร่ก็บดไปเท่านั้นแทบไม่ได้าาเลยนี่คือสิ่งที่เราได้จริงๆเม่เราเกิดความเป็นคนเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาจึงย้ำป่าเือนพวกเราทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติจิตตะภาวนาในด้านอวาจิตใจของเราเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าเราทําอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเ น, นื่องแล้วมันจะมีกำลังใจ ม, ม, มันไม่น่าเบื่อ ถ้าเราทําตอนหนึ่งจะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนที่เราทําอื่นๆเหมือนงานประจําอย่างหนึ่งแต่ถ้าสังขาดเพิ่เกินทำบ้างไม่ทําบ้างเหมือนเราทํางานผับปังเราทําบ้า ง, ม, างมัน ข, ขาดเพิเกินเจิตเกือบเหมือนกันถ้าเราทําต่อเนื่องเรามันจะเพลิดเพลินไรีกว่าบันเทิงในทำเราจะบันเทิงในทำก็คือเจอความภูงใจมันมันจะมารถที่จะพิจารณาอัดพิจารณาทำมันเป็นอัดเป็นธรรม คือเป็นเนื้อเป็นหนังพูดยังไงมันไม่ได้เป็นมีแต่น้ำน้ำแต่ไม่ได้เลยเพราะชีวิตเราเอาใจน้ำน้ํามันก็ได้แค่นั้นกพารกระทำพวกเราทุกคนในศาสนาการนี้เอาใจใส่เยอะๆคือตั้งฟอว์เอาไว้ตั้งคือบังคับตัวเองสมบูรณ์อย่างน้อยวันตัดทิ้งวันก็ยังดีนะถ้าไม่ได้เลยแล้วก็เก็บไว้พระก่อนคือพรล า, านาูทกคนณทำพุทธคุณนั่นแหละคือเนึ่งเป็นพัตนาใตครับพูอย่างไน หลังกานัานเอก็แคมานึกตัเองเอาตัวจากสติทำอะไรก็ได้แลมีการปฏิบัติอยู่างสบลมหายใจจนคือใจมีอะไรมาอยู่ในใจก็จะรู้ละเราจะฉกทุกข์ก็ตแล้วก็เำหนดได้นั้นว่าทุกข์มาอยู่ในใจแล้วผลมันเป็นยังไงทุกข์มันอยู่ในใจผลเป็นยังไงความเฉยเฉยอยู่ในใถ้าเราวางทั้งหมดได้เนี่ย พันจะเป็นยังไงนี่คือกานต่อเออปัญญามันเกิดอย่างนี้งนะเมื่อสติแล้วมันจะต้องตบท้ายปิดท้ายด้วยปัญญาใช่ไหมสติลงหายใจแต่สุดท้ายคือปัญญาถ้าครอบองค์ประกอบเนี่ยการปฏิบัติทางเรืสมบูรณ์แบบปฏิบัติทางเราก็ได้ผลขอให้เราใช้แนวเนี้ยเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติ ในชีวิตที่จะมาเราจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนจะมากจะน้อยอย่างะไร่างหนึ่งแต่ว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนั่นก็เป็นขวัญกำลังใจให้พวกเราทุกคนอย่าท้ออย่าถอยอย่าคิดจะทําอะไรไม่ได้อะไรเลยจะเห็นอะไรเราไม่ได้ทําไม่ทําเอาได้ไม่ทําเอาเห็นไม่ทำเอาเป็นท่านทําเอาวางจรตอนนี้คือทําไม่เอาไม่ใช่ทําเพื่อเอาส่วนโลกัทําเพื่อเอาส่วนธรรมแะทำเพื่อทิ้ง ก็ทั้สองคนแล้เรื่องโลกเขาต้องทำแล้วมันต้องได้นเรียกว่าโลกต้องไล่สตาสติอเนี้ยคนยิ่งมีสติคนยิ่งทิ้งแม้แต่รูปร่างกายเราที่จะทิ้งหมดคือทำถึงไม่ได้ทำเอานี่คือความแตกตา่างระหว่างโลกกับทำอยู่ที่เราเรื่องเอาอะไรถ้าเราปฏิบัติทำอยู่ยังจะเอาอยู่นั่นเป็นอารมณ์ของโลกนะมันติดโลกมา เราไม่ไม่ไมทําเพื่อทิ้งทำทำเพื่อเอาทําเพื่อได้ทําเพื่อมีทําเพื่อเป็นไอ้อย่างเนี้ยมันไม่ใช่ทางละต้องทําแล้วเพื่อทิงสุดท้ายไปทางนี้ถ้ามันเกิดปัญญาเมื่อไหร่อ่ะมันจะทิ้งอัตโรมัติของเขามันจะเข้าใจไปนะครับขอเราทั้งหลายได้เร้ยนรู้สุขอเจเริญสุขสุเด็จเจริญขึ้นในธรรมในสถานการณ์นี้ขอเราทั้งหลายทุกคนเป็นผู้เจริญในธรรมทุกคนทุกท่านเธอ